สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่ยี่สิบสามเรื่องปัญญาและความสุขขุมรอบคอบพรจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อที่ยี่สิบเอ็ดข้อเดียวนะครับโปรดฟังพระจ้าของพระเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาสติปัญญาและความฉเฉลียวฉลาดไว้ อย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้าโปรดฟังอีกครั้งบุตรชายของเราเอย๋ยจงรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้อย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้าภาษาอังกฤษนะครับในฉบับที่อ่านง่ายนะครับใช้คำอย่างนี้ครับว่า my child hold on to your wisdom and insight Never let them get away from you. Hold on to your wisdom and insight. Never let them get away from you. ในภาษาเดิมนะครับผมได้กลับไปคน้นฉบับ King James นะครับก็จะใช้คำว่า wisdom and discretion ซึ่งตรงกับในภาษาฮีบรูซึ่งเป็นภาษาเดิมที่ใช้เขียนพระคัมภีร์และ เมื่อเรากลับไปค้นในสายของพระคมพีที่แปลมานะครับเราก็จะพบว่ายืนยันครับว่าในสุภาษิตบทที่สามข้อยี่สิบเอ็ดนี้นะครับจะต้องแปลใช้คำว่า wisdom ซึ่งแปลว่าสติปัญญานะครับแล้วก็ Discretion ิสค ร, น, สร น, นั้นแปลว่าการอย่างรู้หรือดุ ล, ลพินิจหรือความสุขุมรอบครอบเพราะฉะนั้นพระคมพีฉบับแปลภาษาไทยบางฉบับนะครับ ก็อาจจะแปลตรงนี้ผิดไปนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในพระคัมภีสุภาษิตบทที่สามข้อย1สิบเอ็ดนี่ยนะครับจะต้องใช้คำว่าสติปัญญาและความสุขุมรอบขอบภระคัมภีฉบับภาษาไทยบางฉบับนะครับก็แปลถูกต้องผมจะข้ามประเด็นเรื่องของการแปลแต่ว่าจะเข้าไปถึงความหมายของศัพท์สองคนี้ก็คือาว w i s -dom กับ d i s c i o n ซึ่งภาษาไทยนั้นแปลว่าสติปัญญาที่ถูกต้องสติปัญญาที่ดีและความสุขุมรอบครอบการมีดุลพินิจพี่น้องครับเราพูดถึงเรื่องของสติปัญญามานานนะครับเรารู้ว่าสติปัญญานั้นมีความหมายถึงคุณครูปัญญาหรือพระเยซูในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคาสอนครับ สติปัญญานั้นเกิดจากคําสอนสติปัญญานั้นเกิดเป็นหลักข้อเชื่อพี่น้องครับตรงนี้เองทําให้เราทั้งหลายต้องกลับมาดูชีวิตของเราครับเพราชีวิตของเรานั้นมีคําสอนได้มีหลักข้อเชื่อที่ซาวไหมซาวนี่หมายความว่าถูกต้องไหมที่เหมาะสมไหมพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวในชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเราไม่เติบโตมา จากหลักคำสอนที่ถูกต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นก็เบี่ยงเบนเบี่ยงเบนจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสติปัญญานั้นเกิดจากพระวจนะของพระเจ้าและการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าที่ถูกต้องคริสจักรจะต้องวางรากฐานอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าคริสจักรจะต้องวางรากฐานที่จะยกย่องพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีอัลอริที้สูงสุด หลายๆครั้งทีเดียวนะครับในบางนิกายก็มักจะเอาขึ้นจากอยู่เหนือพระเจนะของพระเจ้าซึ่งไม่ถูกต้องครับในทางกลับกันพระเจ้าของพระเจ้านั้นจะต้องอยู่เหนือขึ้นจากและมีออลโเรตตี้เหนือขึ้นจักเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นพระคำของพระเยซูเองเป็นพระคำของพระเจ้าเองและเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเปิดเผยของพระเจ้าที่มีมาถึงมนุษย์ ทำให้เรารู้จักกับพระเจ้านะครับคริสจักรเองนั้นก็เป็นเครื่องมือ <c oughs> เครื่องมือที่จะถ่ายทอดพระเจนะคริสจักรจะต้องสอนพระเจนะคริสจักรนั้นจะต้องยกย่องพระเจนะอย่างสูงคริสจักรนั้นจะต้องไม่ตีความพระเจนะตามความพอใจของคริสจกักรพี่น้องครับตรงนี้เองทําให้เราอยู่ในความไม่แน่นอนเพราะว่าหลายๆคริสจักรนั้นก็ ตีความพระเจ้าของพระเจ้าตามใจตัวเองไม่ได้ตีให้ถูกต้องตามหลักการแห่งพระเจ้านั้นผมจะขอกลับมาพูดถึงเรื่องของความสำคัญที่เราจะต้องมีสาว doctrine หรือ s สาว wisdom อย่าลืมนะครับว่า wisdom นั้นเกิดจากคำสอนครับ wisdom นั้นเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ wisdom นั้นเกิดจากพระเจ้าของพระเจ้า wisdom นั้นเกิดจากพระเยซูที่เสดจเจ็จเข้ามาในชีวิตของพวกเรา ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องรักษา wisdom หรือสติปัญญานะครับและเราจะต้องเลือกที่จะรับสติปัญญาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกสติปัญญานะครับอย่างถูกต้องเลือกที่จะรับคําสอนที่ถูกต้องนั้นเราจะต้องมีคําคํานี้ครับเรียกว่าดิสคริเชนดิสคริเชนนั้นก็คือคําที่ควบคู่กันควบคู่กันในพระธรรมสุภาษิต บ, บทที่สามข้อยี่ิบเอดนี้ discretion แปลว่าอะไรครับ discretion แปลว่าดุลพินิจ discretion แปลว่าการมีความสุขุมรอบคอบเกิดการยัง้งนะครับยั้งคิดเกิดการไตร่ตรองเกิดความระมัดระวังมีคามําอธิบายครับว่า discretion นะครับความสุ ข, ขุมรอบคอบนี้หรือดุลพินิจนี้มีความสําคัญ ความสุ ข, ขุมรอบครอบนั้นคือความสามารถในการคิดและการตัดสินใจอย่างถูกต้องที่พระเจ้าประทานให้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความสุ ข, ขุมรอบครอบเขาจะมีดุลพิ น, นิษ์ที่ดีเขาจะสามารถตัดสินใจเขาจะสามารถคิดได้อย่างถูกต้องเพราะว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าครับพระเจ้าประทานดุลพิ น, นิษความสุ ข, ขุมรอบคอบให้ผู้ที่ติดตามพระองค์เท่านั้นปวดขวัญครั้งนะครับ พระเจ้าประทานดุลพินิ์ที่ดีความสุขุมรอบคอบให้เฉพาะผู้ที่ติดตามพระองค์เท่านั้นผู้ที่มีปัญญาอยู่ในตัวของเขาก็คือมีพระวจนะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเยซูคริสต์อยู่ในตัวของเขาก็คือติดตามพระองค์เท่านั้นเพราะฉะั้นดุลพินิจที่ดีนั้นก็ประกอบไปด้วยความสุ ข, ขุมรอบครอบครับดุลพินิจที่ดีนะครับรวมถึงความรู้ที่ได้มาจากการสั่งสอน กับการเชื่อมโยงความรู้หรือเรียกว่า knowledge mapping นะครับ doctrine mapping หรือพระเจนะ mapping การพระเจนะการใช้พระเจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องทําให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งที่ได้มาจากการรู้จักและประยุกต์ใช้พระเจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องพี่น้องครับตรงนี้นี่เองนะครับทําให้เรารู้ว่าคําว่า d i s c r e t i o n นั้นเป็นคําที่ลึกซึ้งการรับ นะครับการรับความสุ ข, ขุมรอบคอบการไต่ตองการมีดวงพินิษฐ์ที่ดีนั้นมาจากพระเจ้าครับและขณะเดียวกันดวงพินิษ์ที่ดีนั้นก็สามารถทําให้เราประยุกต์ใช้พระเจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยหลายหครั้งทีเดียวนะครับชีวิตคริสเตียนหรือบางคนบางคริสจักรนั้นประยุกต์ใช้พระเจนะของพระเจ้าไม่ถูกครับการประยุกต์นั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวพี่น้องครับ ในพระธรรมกิจาการบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบเจ็ดได้กล่าวถึงสิ่งที่สําคัญมากที่นี่เขาบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยอดท้อในการกล่าวเรื่องพระดํำริของพระเจ้าพี่น้องครับศัพท์คํานี้นะครับว่าพระดําริของพระเจ้านั้นมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า Discret ั่นนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพระดําริของพระเจ้านะครับหรือแผนการของพระเจ้า น้ำพระทยของพระเจ้านั้นเกิดจากการที่เราจะมีใช้ดุลพินิจและความสุ ข, ขุมรอบคอบเราก็จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องจะเห็นถึงความลึกซึ้งของศัพท์สองคำนี้ในวันนี้นะครับว่าสติปัญญาที่แปลว่า sound doctrine สติปัญญาที่ถูกต้องนะครับก็คือคําสอนที่ถูกต้องและความสุ ข, ขุมรอบคอบนั้นก็ขอสรุปว่า เป็นการใช้พระจนะของพระเจ้าประยุกใช้นะครับนําไปใช้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นความสุ ข, ขุมรอบครอบนี้เองทำให้เราทั้งหลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบครับเป็นคนที่อยู่ในน้ามัทยของพระเจ้าในคณะเดียวกันครับก็สามารถที่จะแสดงออกถึงความดีงามแห่งพรจนะของพระเจ้าความดีงามความรอบครอบแห่งแผนการของพระเจ้าและสิ่งที่สาคัญก็คือว่า เราจะต้องรักษาไว้ครับอย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้าพี่น้องครับเป็นคำอธิษฐานของผมที่อธิษฐานไปถึงผู้ที่ฟังทุกๆข่านในวันนี้และขอให้รวมถึงตัวผมเองด้วยที่จะมีสติปัญญานะครับและความเฉลียวฉลาดความสุขุมรอบคอบมีดุลพินิจที่ดีอามเมน